หนุสลติกะสสังจิริธาติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุกนัยยี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง วิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหาชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจใจและหนึ่งวาระยี่สิหสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทามํทาให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากิด E ซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นยากริจซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยยีสิบสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัย เ hey, ททุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารยี่สิบแสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยย่อเหตุุปัจจัยมีสองวาระและถึงอาเัยวณนปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึงขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจจหนึ่งกุชลติกะห้าวิตตะติก ะ, ห, ก ะ, กะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปั จ, จยจะเจตุกระใยเหตุตุปัจจัยีย่สิบเก้า สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณะณปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อสหาชาต่าวาระและถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ30สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศล ซึ่งมีทั้งวิตกและวิจาร์โดยเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยเหตุกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญญากริซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญญากริซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณโดยเหตุกปัจจัยย่อสาเอเหตุกปัจจัยมีสามวาระ อารามณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระละถึงสมณันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิจยปัจจัยมีสามวาระอุปาณิสยปัจจัยมีห้าวาระอายเสวนปัจจัยมีสามวาระรมปัจจัยมีห้าวาระริปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยมีสามวาระละถึงสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอร่อพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในขุศลตกะกกสาสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต ซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิตซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีสองวาระละถึงวิปากตุปัจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อสหาชาตวาระละถึงสัมยุตตวาระและปัญหาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร สาสภาวธรรมทีม่เป็น yeah. กุศลซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีท um> ั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึงขยายสหาชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจาร สลาติระหปีติติระหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะจะตุกนาให้ตุปัจจัยมสิบสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ย, ยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากขปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระย่อสหชาตะวาระ และถึงสัมยุญตะวาระเหมือนกับปฏิจัวาระสาสหสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต ซึ่งสหรคปด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัิยากฤตซึ่งสหรูปด้วยปีติโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระอันันตระปัจจัยมีห้าวาระและถึงสหัชชะตาปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระ ปุปะนิเียปัจจัยมี9้าวาระอาเสวณปัจจัยมีสามวาระระมะปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจใจมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระและถึงสัมปยุตตปัจจัยมีสมวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อพึงอขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะ36 สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึง่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิตซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ย่อเทถุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อพึ่งขยายสหาชาติวาระและถึงปัญหาวาระให้พิสดารสามสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคดูเบขามาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคดูเบขา เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคดูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคดูเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสหรคดูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสหรคดูเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุปปัจจัยมีสามวาระละถึง วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อเพิ่งขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิศาราล 1. กุศลตดกะเจทัศนะิดกะหนึ่ ง, งปฏิจจวาระปัจยยะจตุกนัย 38. ส8สสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปิมัก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 ซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะเหตุ ต, หตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ40สภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์และมรรคเบื้องบนสอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์และมรรคเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3มวาระ สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสเกิดขึ้นพระเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นขุศลและที่เป็นอัภยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อสหชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาหนึ่งกุศลเถกะ 8. ทัศนะเหตุตุกะเถกะ หปฏิจจวาระปัจจยะจตุกนัยสี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปติมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจเหตุตุปัจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาตุปัจมีหนึ่งวาระย่อสี่สองสภาวธรรมที่เป็นอกุศล ซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจเหตุตุปัจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสีสบสสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุอันไม่ต <sh ort> <sh ort> ้องประหารด้วยโสดาปติมาและมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล ซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยย่อเหตุุปัจจัยมีเจดวาระอารมณ์ปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีเจดวาระยอ่อสหชาตวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณ์ หนึ่งกุศลติกะ 9. อาจยะคาเิติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจัตุกไนสี่สิบสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อสหชาตวาระ ละถึงปัญหาวาระทุกปัจจใจพึงขยายให้พิดารณา45สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเ พ, พราะเหตุุปัจจัยย่อปฏิจจวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระ46สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต ซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อพึ่อขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดารณหนึ่งกุศลติกะสิบเสษขาติกะ หนึ 1> 1่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนยัยสี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นของเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นของเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต ซ, ซึ่งเป็นของเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นของเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจย่อ เทตุ hey, ป, ปัจจัยมีสองวาระละถึงอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระย่อสหชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสี่สภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤิซึ่งเป็นของอเสศัขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิ ซึ่งเป็นของอาศข้บุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ49สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล ซ alls, ึ 2, ่งไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชะบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤต ซึ่งไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิตซึ่งไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤต ซึ่งไม่เป็นของเสกะบุคคลและเสกะบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจย่อเหตุปัจใ จ, จ, จมี9ก้าวาระอารมณะปัจใจมีสามวาระละถึงวิปากปปัจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมี9ก้าวาระยอ่อชาชะตะวาระละถึงสัมยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระห้าสิบ สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเจดวาระอรมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในขุศลติกะ ภูชาติติกะ11ปริตฐะติกะ 1-7 ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะเจโตกใน51สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปริตฐะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปริตฐะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งเป็นปริตฐะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปริตฐะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิยกฤตซึ่งเป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที at ่เป <n transformer> ็นกุศลซึ่งเป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งเป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุุปัจจัยมีเก้าวาระอริมณปัจจัยมีสามวาระละถึง วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระย่อสหชาตะวาระและถึงสัมยุตตาวาระเหมือนบปฏิจจวาระ 52. สภาวธรรมที่เป็นขุสลซึ่งเป็นปริตะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุสล ซ, ซึ่งเป็นปริตะโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นปริตะ เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นปริตะโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นปริตะเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นปริตะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปริตะเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปริตะโดยอรมณปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระ อารามณปัจใจเมงฆาวาระอธิปฏิปัจใจเมงฆาวาระละถึงอริคัตตาปัจใจมิสิบสามวาระยอ่อพึงขยายให้ทิจดานเหมือนปัญหาวาระในกุศลตะกะมหาคตตบทเป็นต้นเหตุปัจใจห้าสิบสามสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นมหาคตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ สภาวธรรมที่เป็นอภิยากริสซึ่งเป็นมหาคตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากริสซึ่งเป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระย่อสาหชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยพึงขยาให้พิจาร ห้สี่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็อปนอภป mana เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็อปนอภป mana อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็อป น, ะนยยอภป mana เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอาศัยวันปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อชาติชาตะวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาหนึ่งกุชลติกะส2บสองปริตา ร, รมณติกะหนึ่งปฏิจัวาระปัจจะยะจตุกนยัยห้าสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นกุสลซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากาปจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาหสหกสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมหากตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมหคัตะเป็นนอารมณ์เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีมหคัตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีมหาคัตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีมหคัตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งมีมหาคัตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง วิคตาปัจจัยมีสามวาระยอ่อสาชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจใจพึงขยาให้พิสดารห้าสิบเจสภาวธรรม ท, ที่เป็นกุศลซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญญากริซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิ ซึ่งมีอปปามะนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิจารณ์ ติกะสิบสามินนติกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิเชวาระเป็นต้นปัจยะเจตุกนยัยห้าสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุปหตุปัจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อทุกปัจใจเพื่อขยายให้พิจารณ์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 สภาวาธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตซึ่งเป็นชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจยัยย่อ OC. เหตุปัจจัยมีหวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหวาระย่อชาชาตาวาระและถึงสัมพยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ หกสิบสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นกลางเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นกลางโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัปยากฤิซึ่งเป็นชั้นกลางเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิศซึ่งเป็นชั้นกลางโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นกลางเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นกลางโดยอรมณปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นกลางเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นช <optimized S 1> ั้นกลางโดยอารถมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นชั้นกลางเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นชั้นกลางโดยอารถมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นชั้นกลางเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นกลางโดยอารถมณปัจจัยย่อ6กอด เทตกัปัจมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระละถึงสมณันตระปัจจัยมีสี่วาระสหชาติปัจจัยมีหวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิสียปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาติปัจจัยมีสองวาระปัจาชาติปัจจัยมีสองวาระ อาเสวณปัจใจมีสองวาระกรรมปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจใจมีหนึ่งวาระอาหาระปัจใจมีสี่วาระและถึงมรรคปัจใจมีสี่วาระสัมปยุตตปัจใจมีสองวาระวิปยุตตปัจใจมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีเจดวาระยอ่อพึ่งขยะให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในขุสลติกะปณีตบท เหตุปัจจัย 62. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นปราณีอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นปราณีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปยากฤิตซึ่งเป็นชั้นปราณีอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นชั้นปราณีาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอาศัยวิณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง วิปาระปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารหนึ่งกุศลติกะสิบสมิจฉตานิยตติกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจญาจตุกนัยหกสิบสาม สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีสภาวะผ right e cool ิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที <sh arp> ่เป็นอกุศลซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุถกปัจจัยย่อเหตุถกปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารหสิสสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งไม่แน่นอนโดยาการทั้งสองนั้นอาศัย sí. สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิญากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งไม่แน่นอนโดยาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยาการทั้งสองนั้นเกิดข uh ึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุถูปัจจัยเมฆ้าวาระ อรามณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระย่อสหาชาตาวาระละถึงสัมปยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ66สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยอา like การ okay. ทั้งสองนั้นเป็นปัจจ <complement> ัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยเหตุปัจจัยย่อ เทตุปปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณะปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระยอ่อพึงขยายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในปุสละติตะ หอุชลติกะสิบห้ามัคคารมณติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจยะจตุกนาอหกสิบเจสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิจารณาหกสสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมักเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมักเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระยอ่อหกสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมรรคเป็นอธิปดีอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมรรคเป็นอธิปดีเกิดขึ้เนเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรม ท, ที่เป็นอัพญากฤิซึ่งมีมรรคเป็นอธิปดีอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญญากฤิซึ่งมีมรรคเป็นอธิปดีเ euh. กิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึง อวิคตตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อทุกปัจจัยพึงขยายให้พิดารณหนึ่งกุศละตะกะสิหอุปนนะตะกะเจปัญหาวาระปัจยะจตุกนัยเจดสิสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแฝ่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระยอ่อหนึ่งกุศลตึกกะสิบเจ็ดีติตึกะเจ็ดปัญหาวาระปัจะจะตุปนายเจ็สิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปัจจุบันโดยเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสาวาระย่อหนึ่งอุชละเถกะสิบแปอตีตารมณเถกะหนึ่งถึงเจปฏิจัวาระเป็นต้นปัจจยะจะตุกไนเจ็ดสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีอดิตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีอดิตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งมีอดิตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งมีอดิตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีสามวาระละถึงวิปากตุปัจมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีสามวาระย่อสหชาตวาระละถึงส <också> ัม <free> ยุตตวาระเหมือนขปฏิจัวาระเจ็สิบสาสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอดิตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอดิตธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีอดิตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศล ซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีหวาระอนันตทปัจจัยมีเจดวาระสมนันตทปัจจัยมีเจดวาระ สหชาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระเนสียปัจจัยมีสามวาระอุปานิสียปัจจัยมีห้าวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาระปัจจัยมีสามวาระละถึงสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อ เพื่ขยายให้พิจารณเหมือนปัญหาวาระในขุสละฤกษะปนาคตารมณบทเหตุปัจจใจ74สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระปนามณปัจจัยมีสามวาระละถึง วิปากบปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อสหาหชาตวาระละถึงสัมปยุตตวาระเหมือนบปฏิจาวาระเ5สิ 75. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอนาคนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ อารามณปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อพึ่อขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุสละเถกะปัจจุปันนารามณบทเหตุปัจจัยเจ็ดสิบหกสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เทตปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาร ะ, ะ, าะจจย่อสหชาตวาร ะ, าา ะ, าระละถึงสามปยุตตวาระเหมือนปปฏิจจวาระ 77. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศล ซึ่งมีป <Vine to the valley> ัจจุบ <admission> ันธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศล์ซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจุบันนธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อพึงพยายาให้พิดารณาเหมือนปัญหาวาระในขุษละตึกละ